จะต้องอาศัยร่างกายอาศัยความมีชีวิตอาศัยสมองอาศัยประสาทต่างๆก็ในเมื่อสิ่งเหล่านี้ชำรุดเสียหายจนใช้การไม่ได้แล้ววิญญาณจะเกิดขึ้นอีกได้อย่างไรข้าพเจ้าเด็กหลอกมาแล้วว่าวิญญาณสามารถเกิดขึ้นมาได้ด้วยตัวของมันเองคืออาศัยวิบากต่างๆซึ่งมีอยู่ในวิญญาณไม่จำเป็นจะต้องอาศัยร่างกายหรืออาศัยประสาทเท่านั้น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 เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดแต่ในแง่เดียวว่าวิญ ญ, ญ, ญ, ญาณย่อมเกิดขึ้นมาจากร่างกายแต่ควรจะคิดอีกแง่หนึ่งคือร่างกายย่อมเกิดมาจากวิญญาณโดยธรรมดาร่างกายย่อมมีอยู่2แบบคือกายเนื้อกับกายทิพย์กายเนื้อก็เช่นกายของมนุษย์กายทิพย์ก็คือกายของพวกโอปปปาติกะทั้งหลาย